วันนี้เป็นวันที่26สมกรา2 5งพห้าตรงกับขึ้น8ดค่ำเดือนสามตามจันทรคติวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาตอนน่อไปผมจะได้กล่าวสัมโมนิยกถา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 ผู้พี่ก็ต้องแนะนำน้องเพราะเกิดมาทีหลังจะให้น้องถ้าว่าพี่ไม่แนะนำน้องจะฉลาดขึ้นมาเลยโดยที่ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนก็คงจะเป็นไปได้ยากถึงจะมีตำรับตาราบอกกล่าวเอาไว้แต่ไม่มีพี่ที่พานำพาปฏิบัติก็จะให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากเหมือนกัน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 มาในพระไตรปิฎกอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าพวกเราจะศึกษาแต่ในพระไตรปิฎกอย่างเดียวท่านก็พูดเป็นกลางๆและท่านเป็นพูดเป็นแนวแถวท่านจะอธิบายในรายละเอียดในภาคปฏิบัตินั้นก็คงจะไม่อย่างลึกไม่ละเอียดเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ได้ประสบการมาการประสบการครูบาอาจารย์แต่ละครั้งแต่ละท่าน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 อย่างนี้จะเปิดในตําราพระไตรปิฎกนั้นคงจะหาไม่เจอแต่ถ้าหากว่าพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติประสบ ป, ประการด้วยตนเองนั้นมันถึงจายเพราะเหตุไรเพราะว่าการปฏิบัติของเรานั้นมันประสบ ป, ประการและพูดได้อย่างเต็มปากพูดได้อย่างชัดเจนด้วยไม่สะทกสะท้านด้วยเพราะว่าตัวเองได้ประสบพบมาอย่างนั้นแต่เราจะไปอ่านในพระไตรปิฎกเอามาพูดนั้น คงจะหาไม่ได้แต่ว่ามีแนวแถวนั้นมีแน่แนวแถวลักษณะอย่างนั้นเพราะจิตใจไปได้หลายรูปแบบกิเลสในใจของเรานั้นร้อยเรี่ยพันเหลี่ยมร้อยสันพันคมเพราะฉนั้นเราจะเอาทั้งร้อยสันพันคมเอาเรียเหลี่ยมเหล่านั้นมาอ่านมาเขียนในพระไตรปิฎกทุกขณะจิตที่คิดก็คงจะทําอย่างนั้นไม่ได้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 คงจะผิดแปลกแตกต่างจุดนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่สำหรับฝ่ายปริยัตฝ่ายปริยัตคือฝ่ายศึกษาฝ่ายเล่าเรียนในพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเวลาจะสอนท่านก็ยกตํหรับตําราขึ้นมาสอนพอสอนไปสอนไปพวกลูกศิษย์ลูกหาก็จดจำตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนท่านก็ชี้ประเด็นตัวนี้แปลอย่างนั้นตัวนั้นแปลอย่างนี้อาศัยความจา จากนั้นเพอเผอลูกศิษย์นี่จําเก่งกว่าลูกอาจารย์อีกตีแผลพระไตรปิฎกได้กว้างขวางอีกแปลหนังสือได้เก่งกว่าอีกเพราะฉนั้นคําว่าเก่งกว่าตัวนี้ก็เลยเป็นทิฏฐิมานะถือว่าเป็นความรู้ความฉลาดของตนเองที่เหนือกว่าครูบาอาจารย์เวลาไปถึงครูบาอาจารย์เพอเผอยังยั ง, ยงเชิงอย่างภูมิกันอีกว่าเนี่ย อุบาอาจารย์องค์เนี่ยที่ท่านว่าเก่งนะยังสู้เราไม่ได้ในใจลึกๆคล้ายๆว่าอวดอ้างอยู่ในใจลึกๆว่าความจําของข่าความรู้ความฉลาดของของข่าตีแผลพระไตรปิฎกนั้นตีความหมายในในพระไตรปิฎกนั้นหรือความจําในพระไตรปิฎกนั้นข้าไปเจ้าไม่แพ้ท่านเหนือกว่าท่านซะอีกอันนี้คือฝ่ายปริยัติธรรมฝ่ายในใจ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 แต่บทที่มันจะได้มันหลกล็อกของมันเองมันเข้าล็อกของมันเองเหมือนกับเขลียรลูกก๊อบลงหลุมอย่างงั้นน่ะแต่เราทั้งอกทั้งใจเขลียขนาดไหนมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ลงแต่ว่าเหือบางครั้งเราเขลียถูกจังหวะถูกการถูกจังหวะของมันพอเหมาะพอดีกับมันลูกกรอบก็ลงหลุมป๊อกอันนี้ก็เหมือนการการนั่งสมาธิ ภาวนาถ้าจะเปรียบเทียบกันในลักษณะอย่างนั้นแต่ก็คงจะไม่นั้นอย่างนั้นเปรี้ยทีเดียวเพราะว่าน่ยอย่างที่ว่าได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์อย่างที่ว่าท่านก็แนะนําสั่งสอนวิธีการต่างๆเพราะฉนั้นบางท่านบางคนพอนั่งสมาธิจิตไม่เข้าสู่ความสงบก็ทําให้จิตใจของตัวเองส่ายแส่กระสับกระสายบอกว่าบวชมาในพระพุทธศาสนาไม่มีบุญวาสนาบารมี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 แต่บางครั้งมันก็ยังทะเลาะหลายมบยังสู้ครูอีกต่างหากมันไม่ยอมไปตามที่กรรมาฐานที่ของเราต้องการสรุปแล้วก็คือสติของเรายังอ่อน เ, อเมื่อสติของเราแก่กล้าแล้วอันนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ท่านฝึกหัดแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าจิตยังไม่ได้มาตรฐานจิตยังไม่มั่นคงจิตยังไม่ตายตัวะจะว่าไม่สแตนด์ดะ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 ใช้สติใช้ปัญญาในการปฏิบัติถ้าเราทำอะไรเพียงแต่สักว่าทำไม่ได้สนใจไม่ได้ไตรตรองเหตุและผลทำเป็นวันๆไปอันนั้นผลที่เกิดขึ้นมาที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นก็คงจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคงจะไม่เป็นที่พอใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านเวลานั่งสมาธิภาวนา ขอปฏิบัติอย่างที่พ่อแม่ครูวาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนท่านก็บอกว่าสติเป็นสิ่งอันดับแรกเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งอย่าให้ขาดสติในการภาวนาถ้าเราพยายามฝึกหัดสติเอาสติให้เข้มแข็งกําหนดกรมกรมกรมฐานไหนก็ให้อยู่กับกรรมฐานนั้นสมมุติว่ากรรมฐานพธิโธอย่างเนี้ยแล้วกำหนดลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้จะหายใจออก หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรเราก็บงังคับใจของเราให้อยู่กับพุทโททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจากนั้นการเคลื่อนไหวของเราเวลาจะปัดกวาดก็ดีเราจะเดินบินธบาตก็ดีเราจะเดินจงกรมก็ดีขาขวาพุทธขาซ้ายโทคือการเคลื่อนไหวของเราแต่เวลาเรานอนมันยังไม่หลับเราเวลาหายใจเข้ากับกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้คือ เป็นพื้นฐานหรือเป็นบาดฐานที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้พวกเราท่านทั้งหลายที่จะทำจิตให้สงบนั้นไม่มีทางอื่นคือกำหนดบังคับให้มีสติสตินี่แหละที่จะทำจิตให้สงบเข้าสู่ความสงบได้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว ให้มีความรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเรายืนเดินนั่งนอนตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราก็ให้มีสัมปชัญญะให้มีความรู้ตัวอยู่เสมออันนี้ว่าสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนี่แหละที่จะทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้ต้องนั่งสมาธิต้องทําจิตให้สงบทั้งยืนเดินนั่งนอนในอริยบทสี่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 แห่งอัปปนาสมาธิสําหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแต่ถ้าว่าท่านผู้ชํานิชนานาญแล้วไปอย่างที่ว่าท่านจะเข้าสมาธิระดับไหนท่านก็เข้าได้แต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายโดยมากอุปจารสมาธินี่ก็ได้ขนาดนี้ก็นับว่าดีมากแล้วคณิกะนั่นคือกําลังน้อยเกินไปจะพิจารณาอะไรยังไม่ไม่เต็มเม็ดตําหนวยถ้าอุปจารสมาธิ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 ศึกษาได้เพียงแค่นั้นแต่วิชาทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใจเห็นเขามายึดครองร่างกายนามธรรมาตัวนี้แหละเข้ามาใช้สมองอีกทีหนึง่งท่านให้พิจารณาใจตัวนี้แหละให้เบื่อหน่ายร่างกายร่างกายทุกส่วนของที่พวกเราเห็นอวัยวะทุกส่วนของร่างกายต้องแตกสลายในที่สุดสู่ดินน้ำลมไฟ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 วัฏฏะสงสารเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าถึงพวกเราจะทำคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลทานศีลภาวนาอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อท่านสวยเป็นพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจะทำคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศล ให้ทานลูกเมียให้ทานทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามท่านก็ปราถนาโพธิญาณข้าพเจ้าทําคุณงามความดีอะไรก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้ตัดสู้โพธิญาณคือโพธิญาณคือให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตสรุปแล้วก็คือท่านปราถนาไม่อยากจะมาเวียนไหวตายเกิดให้ตัดสู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้รู้แจ้งเห็นจริงใน อริยมรรคบรรลุมรรคผลเป็นพุท ธ, ธะหรือถอนโลกหรือถอนสัตวโลกทั้งหลายออกจากวัตฏะสงสารแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาจะมากจะน้อยก็าตามก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจอธิษฐานอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพาปฏิบัติติ ว, ว่าท่านมองไกลอย่างพวกเราเมื่อข้าพเจ้าได้สั่งสมบุญกุศล มากน้อยที่เป็นบุญเป็นกุศลในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีหรืออนาคตที่ยังไม่ได้ทำก็ดีบุญกุศลที่เข้าไปเจ้าได้ทำดีแล้วที่เป็นบุญเป็นกุศลขอให้เข้าไปเจ้าพ้นทุกในวัฏสงสารถึงฝั่งพระนิพพานโดยเร็วอย่าได้มาเวียน่ายตายเกิดอีกอันนี้แปลว่าผู้เกิดมาแล้วทำบุญกุศล หวังพนิพานแวกวัตตะสงสารไปถึงฝั่งแต่ถ้าว่าพวกเราทาบุญทําทานอันไหนก็ตามเรายัางปราถนามนุษย์สมบัติสวรรค์นิพพสมบัติพมโลกสมบัติอยู่อันนั้นท่านว่าปราถนาในวัะวุลในวัตต ะ, ตตะอยู่ในวัตตะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเกิดเกิดตายตา ย, ตายลุ่มลุ่มดอนๆอนอย่างที่ได้กล่าว ถึงจะเกิดเป็นชาติชั้นวันะไหนเป็นไทยเป็นจีนเป็นฝรั่งที่ไหนก็ตามจะเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียศถาบรนดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารรุ่มรุ่มรอนรอนสูงสูงต่ำต่ำไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านถ้าจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาถึงจะมากจะน้อยก็ตาม ให้ตั้งความปรารถนาถึงพระนิพพานเอให้ถึงฝั่งพระนิพพานอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปพราะเรามาเวียนไหวตายเกิดกับยังพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยนะอา่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้เป็นยังไงอถ้าเป็นพระก่อนเกิดขึ้นมากับบวชเข้ามากับปิบินทบาทมาฉันฉันแล้วกับวันพุ่งนี้ก็หิวไปบินทบาดมาฉันแล้วก็มาขับมาถ่ายมาหายใจเอามาพูดมาคุยมา ฉนทนาปารบมาปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถูอย่างนี้แหละถ้าเป็นคราวาญญาโจงวานาที่การงานของแต่ละคนการทําหน้าที่การงานก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ผิดล็อกผิดที่ เ, ออเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าคุกเข้าตารางอย่างนี้เป็นตน้นแปลว่าการใช้กรรมใช้กรรมคือผลของกรรมคือการกระทําของเราไม่เสมอกันเพราะนั้นถ้าจะว่าไปพระพุทธเจ้าเห็นแล้ว เป็นภาพรวมออกมาแล้วหน้าเบื่อหน้านายไม่น่าพิรมไม่น่าอยู่ในวัตฏสงสารนี่น่าจะหนีออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะหนีได้เพราะว่าโรกนี้มันเหมือนกับฐานเพลิงหรือว่ากองไฟหรือว่ากองทุกข์สมพวกเราอยู่ถ้าเราพิจนารณาให้ดีแล้วแก่เป็นยังไง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 จากนั้นก็พิจารณาถึงความเป็นอยู่ร่างกายโลกนี้ไม่น่าอยู่อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องถึงจุดจบแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายแอภาวนาไว้อยู่เสมอว่ามรณงเมภาวิสติให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอถ้าคนระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอคนนั้นจะไม่ลุ่มหลงในวัะสงสารพวกเราท่านทั้งหลาย ผู้ยังมีชีวิตยอยู่อก็ดูคนตายเห็นคนตายอธิบายอย่างงุ้นอธิบายอย่างนี้นยยนแต่พอตนเองตายก็คนอื่นเขาอธิบายอย่างงุ้นอธิบายอย่างนี้นยยนตัวเองก็นอนวิญญาณออกจากร่างแล้วมันไม่มีความสุขนะคนที่ตายลูกคนที่เจ็บปวดขณะก่อนที่จะตายนั้นเป็นยังไงหาความสุขในจิตในใจไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆุกท่านนะให้พิจารณาไว้อยู่เสมอ ชีวิตของพวกเราเนี่เป็นไม่เที่ยงแท้แน่นอนควรจะสแสวงหาทางพ้นทุกข์เพราะว่าชีวิตของเราไม่น่าไว้ใจอีกสักวันหนึ่งความเจ็บความแก่ความเจ็ บ, ค ว, ค, วจบความตายจะมาถึงพวกเราแน่นอนเมื่อตายไปแล้วไม่สูนเกิดอีกนะแล้วหลวงพ่อได้มาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนและเลือกได้ได้อ่านหนังสืออาจารย์หมออวย เกศสิงอาจารย์หมออวยเนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพระกรรมฐานเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นศาสตร า, าจารย์ของหมอโรงพยาบาลสิริราชสมัยนั้นก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านรู้จักหมดนะหลวงลูกศิษย์หลวงปู่ขาวที่ท่านไปสลักหินอยู่ที่ถ้ากองเพนเป็นพระพุทธรนะูปน่ยอาจารย์หมออวยเคารพหลวงปู่ขาวหลวงตามหมาบัวหลวงปู่ฟัน่น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 แล้วก็มาจําพรรษาอยู่ที่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมนะในเมื่อท่านมาจําพรรษาสมัยนะั้นท่านอยู่เมืองอุบลท่านก็อยู่ในแถวทุ่งอทุ่งแต่ในเมื่อเมื่อท่านเข้ามาในดงอากาศมันเปลี่ยนและอีกอย่างหนึ่งยกสมัยนั้นก็มีไข้ามาลาเรียไข้จับสันนีเต็มไปหมดนะในถิ่นนี้ไข้จับสันคนเข้ามาในดงหนึ่ง คนต่างถิน่นต่างฐานต่างที่เข้ามาเนี่ยกลัวมากว่างั้นเถอะบางทีก็เป็นไข้ผมหล่นหมดว่างั้นเถอะอจอยตาโบแต่คนสมัยนั้นพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมากินข้าวได้นะอพอหายพอหายจากไข่มันกินข้าวได้แต่พอจะกไข่มันก็สัน่น เ, เรียกว่าไข้จับสัน่นบางคนเขาตั้งชื่อว่าเป็นไข่พ่อตาแม่ยายชั ง, งนนะเพรางว่าน่ะเพราะว่าลูกเขยไปอยู่กับพ่อตาแม่ยาย จะทำงานก็ทําไม่ได้แต่กินเนี่ยโอ้โหกินไม่รู้จักอิม่มไข่จับสันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่นี้พระบัวเนี่ยก็ท่านก็มาจากทางจังหวัดอุบลขึ้นมาเดินทุดงมาผ่านมุกดาหารขึ้นมามุกดาหารก็เป็นอําเภอธาตุพนมก็เป็นอําเภอขึ้นมาสามผงดงพันเนาพอมาอยู่ที่นั่นพระตายอยู่ที่นั่นสามองค์ อาจารย์บัวท่านบัวเนี่ยได้ห้าพันสาก็ตายในนั้นอีกเป็นองค์ที่สามเป็นไข้ามาลาเรียที่ว่านั่นนะพอตายเสร็จแล้วที่นี่พอพออ อ, นะพอออกจากร่างน่ะพอออกจากร่างนี่ท่านออกมายืนเป็นพระกรรมฐานใค่เข้าว่าเป็นเป็นกายทิพย์ออกมางนั้นออกจากร่างตัวเองพอออกมาแล้วท่านก็นมายืนอยู่มีบาทมีกรดด้วยนะ แล้วคนทั้งหลายมาก็มาเห็นมากับมาแสดงมาอพูดมาจาถึงซากศพแต่เขาไม่ได้ถามเลยท่านบัวที่ยืนภายกดเนยเขาไม่ถามเขาถามเขาดูสนใจแต่ไอท้ที่ที่นอนอยู่นั่นที่เบัวตายอย่างนั้นแต่ที่บัวยืนนี่เขาไม่ถามอท่านก็มาพิจารณาดูเอ๊ะเราเนี่ยลักษณะอย่างนี้เราตายแล้วเนี่ยท่านเขารู้เลยตัวเองตายที้ง เออเราตายแล้ววะจากนั้นเขาก็เอาศพเผาเขาก็ไม่เก็บไว้นานเพราะมันเน่าเขาไม่มียาฟงมารงพรมลินอย่างทุกวันนี้พอตายเสร็จแล้วครับเห็นว่าตายแน่แล้วเขาก็จัดการเผาเลยว่างั้นเถอะพอเผาเสร็จแล้วท่านก็ออกจากบ้านสามผงเดินมาเพื่อจะกลับบ้านพอมาถึงนครพนมท่านก็มาเกิดที่บ้านน้ำกำ่ำในตำราที่ท่านอาจารย์หมอท่านเขียนนะ มาเกิดที่บ้านน้ำก่ำพอเกิดขึ้นมาตัวเองเข้าไปอยู่ในท้องแม่ก็รู้นะแต่ท่านบอกว่าในขณะที่เดินที่มานั่นท่านก็ไปหาพญโยมพระบาลเหมือนกันนะเอไปสู่พญโยมพระบานเขาก็แนะนําบอกแต่ท่านไม่กล่าวถึงจุดนี้ละเอียดเพางั้นเถะท่านก็เลยมารวบรัดเลยว่าพญโยมพระบาลให้กลับมาได้ท่านก็กลับมาเอ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 เอออาตมาเป็นยังไงอาตมาเป็นยังพ่อแม่เอาเด็กทําไมไปหาพูดอาตมาได้ยังไงอันนี้เป็นคําพูดของพระนี่ผู้ใหญ่เขาก็ดูเธอเนี่ยแกพูดยังไงแซ่เขาจะหวดเอาเธอเนี่ก็ตกใจเออว่าเราเนี่พูดผิดก็หยุดพูดว่างั้นพอต่อมาอายุถึงห้าปีเริ่มพูดได้ชัดเจนเธอเนี่ยก็พูดให้พ่อให้แม่ฟังวัน ถตาพอเกิดมานี่เขาเขาตั้งชื่อว่าเลียมจะได้บ่านเนี่อชื่อว่าเลียมเด็กชายเลียมพอต่อใหญ่ขึ้นมาเขาก็เลยให้บวชบวชเสร็จแล้วเราเป็นเนนเลียมจากนั้นเขามางานศพของหลวงปู่มันก่อนที่มันจะชัดจริงก่อนที่จะฮือฮากันขึ้นมาทีนี่เพราะว่าเนนนี่แหละที่เนอนอาจารย์ทองนะเนี่ยเนนตรงเนี้ยเขาบอก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 เรียกธนกรรมสมมเณรคนไหนทำผิดเขาลงธนกรรมเว่างั้นโยมอาหลวอายังพูดว่าพระลงธนกรรมเนรสององค์ไปทำผิดอะไรก็ไม่รู้เขาให้ลงไปลื้อส่วมส่วมสมัยก่อนมันเป็นหลุมเนละไม่มีเครื่องรถ ด, ดูดช่วมอย่างทุกวันเนะี่พอมันส่วมเต็มแทนกับพระเขาช่วยกันตักออกตักออกตักออกแต่นี้ก็ให้เนรที่ลงธนกรรมเนระลงไปลือ้อลงไป พอลงไปลือเสร็จแล้วท่านนี่พ่อขึ้นมาขึ้นมาไปอาบน้ําอาบน้ํำก็ยังมีกลิ่นเหม็นอาแป้งก็ยังมีกลิ่นเหม็นตายสัมมาเดนสองตัวไม่รู้จะทํำยังไง ร, ร้องไห้อีมันงั้นเถอะเอพอพ่อบอกมันเหม็นทั้งตัวไปที่ไหนก็เมื่อไรมันเหม็นมันเหมือนออกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันเหม็นอันนั้นว่างั้นเถอะมันเป็นอันนั้นละเหม็นอันนั้นละว่างั้นเถอะเออกรมอาด้อมบอกว่าพระท่านก็เลยโอ้ไม่ได้ท่านก็เลยต้มน้ําขึ้นมา พอต้อมน้ําขึ้นมาเท่นี้ท่านก็เอาผ้าเจวรขาดขาดเก่าๆมาพันตัวของเนนะให้ดื่มน้ำเด็ดดื่มน้ําอุ่นว่างั้นดืมเหมือนกับดื่มน้ําธรรมดาเนี่ยพอดื่มเข้าไปเงื้อแตกออกเท่นี้เงื้อมันออกดื่มเข้าไปเงื้อออกเอาผ้าพันไว้ดื่มเข้าไปเงื้อออกพันทั้งหัวทั้งอะไรได้วยเห็นเอาไว้แต่จมูกหน่อยเดียวว่างั้นเถอผลในสุดดื่มน้ำเข้าไปเงื้อออกมากๆเลยเนี่ยก็เลยปล่อยออกมาพอเย็นๆแล้วให้ไปอาบน้ํา กลินหายหมดเลยเท่านั้นเพราะว่าไอ้กลิ่นส้วมมันเข้าไปในขุมหลุมขนเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือหลวงอาหลวงพ่อนี่ก็เคยไปเป็นสมัมมาณีอยู่ที่ที่นั่นเหมือนกันที่วัดธาตุพน ม, มนะที่วัดอาจา ร, รย์ทองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของแถบนครพนมเหมือนะันทีมีการประชุมอะไรครับไปไประชุมกันที่นั่นนี่แหละเนนเลียมเนี่ยกับ มาในงานศพของหลวงปู่มั่นสองพันสี่ร้อยกสิบสองเก้าบสองเก้าสิบสามก็มาเห็นกับชี้อาจารย์ทองถูกต้องเลยเนี่ยอาจารย์ทองไปยังวนอย่างนี้แล้วใครใครก็รู้จักหมดทีนี้เนนบอกหมดเลยจำได้หมดว่า ง, งั้นอันนี้ก็เป็นที่ฮือหากันสมัยนั้นว่าเอออเป็นยังไงเนรเป็นยังไงท่านก็บอกให้ฟังหมดวิธีการตายของท่านเป็นยังไง ละลึกชาติได้เพราะงั้นเถอะนี่แหละสรุปแล้วก็คือดวงวิญญาณดวงเนี้ยบางคนก็ตายแล้วเกิดขึ้นมาแล้วลึกชาติได้แต่บางคนก็อย่างว่าตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาก็จําชาติไม่ได้เป็นเสียส่วนมากแต่บางคนเกิดขึ้นมาก็จําชาติได้ก็มีอยู่เพราะฉนั้นถ้าจะว่าไปแล้วใจของเราใจของมนุษย์ชาติเนี่ยตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอย่างที่เขาได้พูดหลายๆเรื่องที่หลวงพ่อได้นำมาพูดกล่าวให้แก่ศรัท ธ, ธาญาติโยมฟังต่างกล่าต่างวาระกระสรุปแล้วก็คือให้เน้นเรื่องว่าตายแล้วไม่สูญอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ที่โคลนต้นโพในวันเดือนหเพนที่ท่านตรัสว่า ปุเพยเนีวาสานุสติญาณระลึกชาติผนหลังได้ท่านมียานัศนะท่านระลึกชาติผลหลังได้แต่ยานัศนะบางคนในครั้งพระพุทธเจ้าหรือว่าบางคนที่ระลึกชาติได้คือระลึกชาติได้แต่ชาตินี้ละชาติสองชาติให้หลังเพราะนั้นบางคนก็บอกว่าไอ้ชาติที่แล้วนึ่ข้าก็ทำกรรมชั่วนะแต่ชาตินี้ข้าไปเจ้าเกิดมาก็ไม่เห็นได้รับกรรมชั่วอะไร ก็ได้รับแต่กรรมดีก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือคนละลึกชาติก็ทําให้คนหลงได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าเอาไว้ได้ยาณทัศนะอย่างพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ท่านมียาณทัศนะอย่างยาวเยียดอนี้ท่านจะละลึกไปชาติต่อๆไปอีกว่าบุพกรรมชาตินี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยท่านได้รับผลมาจากไหนจากชาติไหนในชาตินั้นท่านทําอะไรไว้จึงได้รับผลในชาตินี้เป็นอย่างนี้ ตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้หรือจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะอั น, นิสงส์ในชาติไหนท่านก็นจะเปลี่งนําดับไปถึงชาติก่อนๆนั้นท่านได้ทาบุญกับพระปัจเจกได้ทําบุญกับพระหรหันได้ทาบุญกับพระพุทธเจ้าได้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ปฏิบัติอั น, นิี้สงคุณงามความดีในพบนั้นชาตินั้นจึงมาเกิดในพบนี้ชาตินี้อุลมสมบูรณ์ไปด้วยลาบรวยยศชนรเสริญแต่ว่าชาติที่แล้วเนี่ยท่านคำคำชั่วจริงยุ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 ไม่มาเวียนไายตายเกิดอีกพราะพุทธเจ้ า, าท่านก็สอนพระสงฆ์สาวก ค, คือลูกของท่านพุทธบริษัทสี่ท่านก็บอกว่าให้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ของไม่เที่ยงอันนี้จังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใจของเรานี่แหละนึกคิดเรื่องต่า ง, างๆคิดเรื่อง น, นั้นปุงเรื่องนี้อันนี้แหละตัวนี้เป็นของไม่เที่ยง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 ทางด้านปัญญาเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงร่างกายทุกส่วนเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมไม่ต้องสงสัยธาตุสี่ร่างกายของเราเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟใช่ไหมไม่ต้องสงสัยจใจของเราไปยึดเกาะไปยึดมั่นถือมั่นให้ความสําคัญสิ่งนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยจใจของเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกสลาย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 ไม่ละไม่ปล่อยวางไม่ได้ก็ให้มาตรุมบอลอยู่จุดนี้บ่อยๆเพิรนาทีไรก็ให้มาจุดนี้บ่อยๆตีเข้ามาจุดนี้บ่อยๆหลายครั้งต่อหลอายหนหลายเที่ยวต่อหลายทีอีกสักวันหนึ่งมันก็คงจะไม่ทนต่อการพิสูจ น, น์เหมือนกันเหมือนกับเราโยกคลอนหลักที่ฝังลึกอยู่ในแผ่นดินวันนั้นก็เขยา่าวันนี้ก็เขยา่าเขย่าไปเขย่ามามันก็โยกหอนขึ้นเรื่อยๆก็ถอนได้